ตอนพมวิหารสี่วันที่ย1็ดมิถุนายน2558้าห้าสิบดกราบนมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณแ ม, ม่ชีกัลยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนาะการปฏิบัติธรรมคือการทาหน้าที่นะตอนนี้เรามีหน้าที่ฟังเราก็มีสมาธิ ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับการฟังนั่นคือการปฏิบัติธรรมนะสมาธิต้องเป็นหนึ่งเดียวถ้านั่งด้วยฟังด้วยคิดด้วยนึกด้วยอันนี้คอนดักชั่นหน้าที่นะเราไม่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการกระทาตามธรรมชาติการกระทำธรรมชาติก็คือทำอย่างเดียวเวลาเดียวแต่ตอนนี้เรื่องภาระหน้าที่ออปัญหาชีวิต บางทีเราต้องเร่งรีบขับรถด้วยฟังโทรศัพท์ด้วยคิดด้วยพูดด้วยอันนั้นเราละเลยนาะทีเราไม่ปฏิบัติตามธรรมชาติเราทำธุรกิจนะโอกาสพลาดพังมีนะ เ, เหมือนเรานั่งฟังเราก็นั่งฟังเด็กในห้องหนึ่งทำไมสอบที่หนึ่งคนเดียวนะเขาเก่งกว่าคนอื่นหรือไม่เขาปฏิบัติธรรมเขามีสมาธิกับการฟัง พูดมาลอยได้รับลอยนะอันนี้มันต่างกันที่ตรงนี้สมาธิเป็นเรื่องสำคัญนะไม่ใช่แค่ไปฝึกให้มันฝึกสมาธินะแค่รูปแบบนั่งสมาธิแต่ข้างในเนี่คิดโน่นคิดนี่อันนั้นมันมั น, ม, นมันไม่ใช่ของจริงเราต้องใช้สมาธิที่เรามีอยู่เนี่ยตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราทำนั่นคือปฏิบททัติธรรมเวลากินข้าวก็อยู่กับการกินข้าวเวลาทาหน้าที่ก็อยู่กับมัน นะโทั้วทรลีหนึ่งร้อยเอร์ซ์อยู่กับมันนะนี่คือการปฏิบัติธรรมนะออปฏิบัติธรรมก็มีฐานกายฐานเวทนานะถ้าเราอยู่ชีวิตประจําวันก็กายกับเวทนาน่ะนะนะพอเราเข้าไปในวิปัสสนาก็คือฐานจิตฐานธรรมก็อยู่ปัจจุบันในเวลานั้นๆมันกําลังเต้นแล้วก็อยู่อาการเต้นมันลําก็อยู่อาการลําเรากําลังปฏิบัติธรรมก็คือว่าการทําหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้น นะก็เสียเวลาเท่ากันแต่ผลออกมามันไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าใครจะปฏิบัติทำใครจะทำหน้าที่นะทำหน้าที่อย่างตั้งมั่นนะเราทำห้าสิเราก็ได้5้าสบเรซเราทำร้อยเราก็ได้เต็มร้อยนะทำก็คือว่าตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยอารมณ์ภายในก็แทรกไม่ได้ อารมณ์ภายนอกก็แทรกไม่ได้นั่นแหละการรับรู้เราร้อยอร์นะถ้าเราทำงานห้านแล้วก็คิดไปด้วย5้าซตว่าทำเสร็จแล้วจะไปทำอะไรอะไรเนี่ยพอคิดกังวลป๊บอารมณ์กังวลมันก็กระทบปัจจุบันทำให้มีผลกับงานที่เราทำปัจจุบันโอกาสพลาดมีแต่ถ้าเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยทำหน้าที่ร้อยเอร์ซไม่มีอนาคตนะเพราะครูบอกแล้วว่า อนาคตใหญ่ห่วงมันมากนักอนาคตมันมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทุกคนมีอนาคตพรุ่งนี้อนาคตปีหน้าอนาคตนะอยากให้อนาคตมันดีเนี่ยก็ทำปัจจุบันให้มันดีนะผลงานพรุ่งนี้มันก็ดีนั่นแหละคือพยายามฝึกเพราะจิตเรามันมันไปยึดติดกับมันมีกิเลสเรื่องชอบคิดชอบมีอนาคตอยู่ปัจจุบันทาปุ๊บก็คิดถึงเรื่องอนาคตนึกถึงอดีตนะมันก็ส่งออก พลังสมาธิก็รั่วสติก็ไม่เกิดนะโอกาสพลาดพังก็มีนั่นแหละเราไม่ปฏิบัติธรรมบางทีคําว่าปฏิบัติธรรมเราเราเข้าใจว่ามันแยกออกจากวิถีเราเลยต้องไปอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมต้องไปอยู่ที่วัดอัไรนะเหมือนเป็นอีกคนละเรื่องเลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะยี่บสี่ชั่วโมงของเราเนี่ยคือปฏิบัติธรรม เวลานอนก็ต้องนอนแต่ตอนนี้เราปฏิบัติธรรมไหมไม่เวลานอนไม่นอนไปสังสรรค์เห็นไหมสมัยโบราณพระอาทิตย์ลงปุ๊บเขาก็นอนแหละหิวเขาก็กินนั่นคือปฏิบัติธรรมชีวิตเขาถึงยั่งยืนแต่ตอนนี้เราไม่ปฏิบัติธรรมเวลานอนก็ไม่นอนเพราะงานไม่เสร็จเพราะต้องไปกินเลี้ยงเพราะจะต้องไปเที่ยวเตเห็นไมอันนั้นคือกิเลสไม่ใช่ปฏิบัติธรรมนะกิเลสไม่ใช่ ไม่ใช่ธรรมชาตินะนะกิเลสไม่ใช่ธรรมชาติกิเลสที่เราไปสร้างสร้างมันขึ้นมาแต่ธรรมชาติของกิเลสมันก็ทําให้เราหลงมันกิเลสคือความเคยชินเรานะทุกคนมีกิเลสเราไม่อยากมีหรอกตั้งแต่เกิดมาเขาก็ใส่กิเลสให้เรามาตั้งแต่แรกนะชื่อนี้ก็เป็นกิเลสนะถ้าเราไปหลงชื่อตรงนี้แหละนะมันก็เป็นกิเลสเราก็มีกิเลสไม่เป็นไร ถ้าเรารู้เท่าทันกิเลสเนี่ยกิเลสเขพัฒนาไปสู่ตัณหาไม่ได้อุปการอุปทานก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดนี่แหละเราต้องเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องข่ําคืรึไม่ใช่เรื่องแยกส่วนจากชีวิตเราไม่ใช่นะทุกวันเราปฏิบัติธรรมเราทําหน้าที่ให้เราดีที่สุดตั้งมั่นกับหน้าที่ตรงนั้นละ่ะเมื่อตั้งมั่นปุ๊บอารมณ์ภายในก็แทรกไม่ได้อารมณ์ภายนอกก็แทรกไม่ได้นั่นคือความสงบเราจะมีความสุขกับสิ่งนั้นนะ ความสุขไม่ใช่รอผลงานดีแล้วได้รางวัลค่อยสุขนะไม่ใช่สุขทุกๆเวลาทุกๆนาทีที่เราอยู่กับงานที่เราทํนะอยู่หน้าที่เด็กๆนักเรียนเหมือนกันนะเออที่พวกครูไปอาทิตย์ที่แล้วก็ไปบอกพวกเรานะเราอยู่ในวัยเรียนลูกไม่ใช่วัยรักนะรักก็รักเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีกันหมดแต่ถ้าเราเป็นรักแบบเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรเนี่ย เราเริ่มไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราเริ่มละเลยหน้าที่เราเป็นนักเรียนเรากลายเป็นนักรักแทนที่จะ เ, เวลามาเรียนมาฟังมาพิจารณามาเขียนมาอ่านเอาเวลาไปคิดแต่เรื่องอารมณ์รักเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเรียนรู้เรื่องหรือเปล่ากลายเป็นว่างุดหงิดอ่าพอคนอื่นเข้ามาใกลใ้แฟนเขาหน่อยหนึ่งห น, ง, หน ง, งุดหงิดแล้วอารมณ์ายก็ครอบงำเราขาดสติทั้งวัน เราไม่ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีจริงๆแล้วไม่ต้องฝึกเลยนะแต่ตอนนี้ทำไมเราต้องฝึกเพราะว่าเราถูกกิเลสครอบแล้วไงนะเราถูกกิเลสครอบทาสานเขาปฏิบัติธรรมนะแต่เขาปฏิบัติธรรมระดับสัมมถทัศนเขาหิวก็กินง่วงก็นอนเขาไม่ต้องถือศีลห้าด้วยเขามีศีลห้าเต็มเปี่ยมละเห็นไหม ทาซานไม่ผิดศีลนะไม่มีเขาไม่โกหกหลอกภาษามันก็พูดไม่เป็นที่เราโกหกเพราะเรามีความอยากได้ของเขานะเขาไม่กินเหล้าเขาไม่สูบบุหรี่นะเขาเาไม่มีเขาไม่มีเขาไม่เขาเาเขาเขาเขาเข้อขาเขาเขาเขา่ขาเขาเขาเตาเขาเขาเขาเขาเขาเขาเขาสขาเขาิบัติาเขาเขาเขาเบาเขาเขาเเขาาเาาเา ถ้าไม่ถึงขั้นวิปัสนามันจะไม่มีปัญญาที่จะไปขัดเก่าจิตนะมันไม่สามารถชนะกระแสกรรมที่เราสะสมมาหลายชาติแต่เขาดำรงอยู่ตามธรรมชาติเขามีทุกข์ตามอัตภาพเขาไปทุกข์เยอะเพราะว่าความทยานอยากเขาไม่มีแต่เนื่องจากพวกเรามีแล้วไงพรนะพุทธเจ้าก็ไปเห็นแล้วเนี่ยพระองค์ถึงไปเจอวิธีที่ปฏิบัติ ขั้นสูงขึ้นไปเพื่อจะกาจัดแล้วลอยที่เรามีนะเรามีแล้วมันก็กบเกินสินห้าเราเห็นไหมเรามีความทะยานอยากมีความรู้ผิดก็ทำให้สินห้าที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติถูกกบเกินก็ไอความอยากมีอยากได้เนี่ยเราก็ไปผิดสินพอผิดสินปุ๊บก็เป็นกรรมใหม่ที่เราสร้างสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเก่าบวกกรรมใหม่ก็ไล่บี้เราอีกเห็นไหม ถ้าเกิดว่าเราไม่มาปฏิบัติสัมมาทาวิปัสนาที่ผู้เจ้าชี้ให้เราเนี่ยเราก็ไม่สามารถสู้กระแสตัวนี้ได้ของเก่าก็มีอยู่แล้วทำให้เรามาเกิดใหม่แล้วก็บวกของใหม่เข้าไปอีกแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็ทุกข์สินะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมันเป็นธรมธรมดาธรรมดานะเป็นอะไรที่เรียบง่ายธรรมดาธรรมะคือธรรมดาศีลคือความปกตินะ ตอนนี้ความปกติมันหายไปก็ต้องเอาศีลซึ่งเป็นวินัยมาบังคับตัวเองก็กลายเป็นมือถือสากปากถือศีลถือถูอดุดดดเห็นไหมแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนี่นะปฏิบัติคือไปขัดเก่าไอ้ที่กิเลสตัณหาวัานที่มันครอบงําเราเราเข้าไปสู่สภาวะเดิมของจิตเนี่ยศีลบริสุทธิ์ที่มีอยู่แล้วมันก็แสดงตัวไม่ต้องถือศีลให้มันลําบากเห็น ไ, ไหมแลม้วเมื่อมันศีลมันเกิดขึ้นแล้วมันมีปัญญาแล้วถามว่ามันจะไปสร้างกรรมใหม่ไหม มันไม่มีเหตุต้องสร้างเพราะมันไม่มีความทยานอยากทีนี้พวกเราบางทีไม่เข้าใจเอ๊ะไม่อยากทำทำไมนะก็อยากถึงต้องทำไงทำทำไมทำเพราะทำไงทำเพราะมันเป็นหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทาหน้าที่นั่นคือการปฏิบัติธรรมทุกคนต้องมีสัมมาอาชีวะต้องมีอาชีพต้องเลี้ยงชีพตัวเองเป็นหนึ่งในมรรคมีองแปดแล้วกินข้าวเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมนะ ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยฉันไม่กินนั่นแหละกิเลสนะถึงเวลากินเราก็กินเราปฏิบัติธรรมไงเราต้องเติมพลังงานให้เราเห็นไมแต่พออร่อยปุ๊บก็กินมากเกินไปอีกอันนี้ไม่ปฏิบัติธรรมอีกอันนี้กินตามกิเลสอีกเห็นไหมไม่ใช่ว่าโอ้ยอยากถึงทำไม่อยากทำทำไมทำเพราะทำไม่เกี่ยวกับความอยากมันเป็นหน้าที่นี่แหละคาว่าปฏิบัติธรรม ทำตามธรรมชาติปกติที่วิถีชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องดำเนินแต่ตอนนี้วิถีธรรมชาติมันถูกครอบงำด้วยอวิชชาคือความรู้ผิดความรู้ใดถึงแฝงด้วยโลภโกรธหลงนะทำให้เกิดตัณหาแล้วนั่นถือว่าเป็นความรู้ผิดทั้งสิน้นเพราะตัณหาคือที่มาของทุกเห็น ไ, ไหมทีนี้เรามีแล้วเราทำยังไงก็เนี่ยเรารู้แล้วไงเราถึงมาปฏิบัติ ปฏิบัติไอ้ที่มันมีพลังมากตามธรรมชาติที่ที่มันเป็นอยู่ถ้าไม่มากเราก็ไปขัดเก่าไอ้ที่ไอ้ที่มันไม่ได้มีอยู่แล้วตามธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาไงเราก็ไม่มีกําลังขัดเก่ามันออกนี่แหละคือผู้เจ้าสอนให้เราเนี่ยนอกจากทมดีละชั่วแล้วไม่พอนะต้องขัดเก่าจิตให้ผ่องใส่ด้วยนะนี่แหละคือปฏิบัติธรรมมีหลายขั้นตอน ขั้นพื้นฐานทั่วไปนกเอ่ยหนูเอ่ยแมวเอ่ยมันก็ปฏิบัติธรรมนะเห็นไหมมันต้องทํามาหากินของมันนะเป็นวิถีไงมันปฏิบัติธรรมแต่ระดับเดระฉานวิชามันก็ปฏิบัติธรรมนะเออมันออกลูกมาปุ๊บกูทิ้งเลยเห็นไหมอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมไก่ออกไข่มันไม่ทิ้งนะมันก็ฟักมันปฏิบัติธรรมเห็นมไหมพอเป็นลูกปุ๊บ มันก็พาลูกมันทํามาหากินมันปฏิบัติธรรมมันไม่เคยวางแผนเอาลูกมันไปทิ้งที่สะพานลอยเลยเห็นไหมแล้วทาไมคนเราทําได้แม้คนเรา้อลูกไปทิ้งสะพานลอยไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้คือกิเลสอันนี้สร้างกรรมใหม่อันนี้ฆ่าสัตว์ไม่ใช่ฆ่าสัตว์แต่ฆ่าลูกตัวเองด้วยเห็นไหมทำไมสมัยศัตว์มันไม่ทำนะเพราะมันปฏิบัติธรรม แต่หนุษเราทำไปทำมาไม่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามกิเลสตามกิเลสปุ๊บกลายเป็นกรรมหมดทีนี้กรรมนี้มันก็สะสมในจิตตชนุกมันก็ส่งผลอีกกรรมเก่าบวกกรรมใหม่ก็ส่งผลไปเรื่อ ย, อยต้องเข้าใจว่าเออเราทำไมต้องปฏิบัติธรรมนะคำว่าปฏิบัติธรรมก็วันนี้มีมีคำถามสี่ห้าคำถามง่ายๆก็พูดรวมๆกันไปอ่ะละรวมกันกันไปเมื่อกี้พ่อครูก็เกิดเกิขึ้นมาก่อน ก็เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะข้อหนึ่งถ้าเราปฏิบัติที่บ้านทุกวันจําเป็นหรือไม่ที่ต้องมาศูนย์พระลานข่อยตอบบ้างไม่จําเป็นนั่นแหละคือปฏิบัติธรรมแต่ต้องถ้าเราปฏิบัติที่บ้านทุกวันนะทุกวันยังไม่พอนะทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละไม่ต้องมาศูนย์ถ้าทําได้นะนทีนี้ทําได้หรือเปล่าล่ะ แต่วันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงปฏิบัติธรรมกี่ชั่วโมงปฏิบัติตามกิเลสกี่ชั่วโมงเห็นไหมถ้าทุกเวลาเราปฏิบัติธรรมเราทำตามหน้าที่นั่นแหละไม่ต้องมาศูนย์ใช่ไหมคนศูนย์ต้องไปปฏิบัติตามเราที่นู่นถ้าเราทําได้ใช่ไหมถ้ามาศูนย์เลยเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่ปฏิบัติธรรมเผลอปุ๊บก็คิดเผลอปุ๊บก็สนองกิเลสก็ไม่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยอยู่กับตัวเองทุกเวลาหรือเปล่า นะปฏบิบัติธรรมเพียแต่ว่าวิถีชีวิตเราเนี่ยบางทีอยู่ข้างนอกสิ่งเล้าใจมันเผล ง, ง่ายไงเ อ, อเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมทุกวันทุกนาทีมาสูญนี่จําเป็นไหมจําเป็นแล้วเหมือนรถยนต์ใช้บ่อยๆมันก็ต้องเข้าอู่ไงเห็นไหมอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเนี่ยถ้าปฏิบัติประจําต่อเราแล้วเป็นวิถีเราแล้วเนี่ยไม่ต้องมาสูญนะ แต่การมาสูนนี่มันเป็นการอะไรเหมือนเราทำงานทุกวันนี้ทำงานเหนื่อยเหนื่อยเราก็จะให้รางวัลชีวิตก็ไปทัวร์ไปเที่ยวนะอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมอันนั้นไม่ใช่กำไรชีวิตกำไรกิเลสเห็นไมละ่ะแต่ถ้าเราทำงานมาเราเหนื่อยเรามาที่ศูนย์เนี่ยเราก็ต้องพักกายพักใจพักจิตด้วยนะก็ยังดีกว่าไปเพิ่มกิเลสนะ เพิ่มกิเลสปุ๊บเราก็ต้องมาปฏิบัติขัดเก้ามันอีกเห็นไหมแต่ถ้าเราปฏิบัติทุกเวลาที่บ้านเราอยู่แล้วเนี่ยคำว่ามาศูนย์จําเป็นไหมตอบว่าไม่จําเป็นนะสองมีคนบอกว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆจะหมดโปรแกรมไม่มีท่าทางแล้วจะนั่งนิ่งๆแล้วที่ถูกต้องเป็นแบบนี้ใช่หรือไม่คะไม่ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆเลยเขาไม่ต้องปฏิบัติก็นั่งอยู่นิ่งๆได้บิดา ฟังคนนั้นบอกคนนี้บอกเห็นหเราไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเองเลยเห็นหเวลาเราได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้อันนี้ไม่สักแต่ว่าพอไม่ได้ยินก็ไปถามให้เขาพูดให้เราฟังได้ยินของใหม่อีกแล้วก็มาคิดอีกมันก็เกิดข้อถามแบบนี้นะมันไม่ตายตัวหรอกมันต้องเป็นแบบไหนนะเป็นตามที่จิตมันจะเป็นนั่นละแต่เรารู้เฉย ใช่ไหมทีนี้เราพยายามจะหาคําตอบแบบตักกะว่าพอคนนี้ก็หวังดีก็ไปเตือนเขาอย่างนี้เอามาตรฐานของตัวเองไปบอกเขานะตัวเองก็ยังไม่ทะลุป้องยังไม่เข้าถึงนานาจิตตังนะ่ะก็เอาตัวเองมาทําไปบอกว่าต้องทําเหมือนฉันนะถ้านั่งนิ่งๆแล้วถามอีกว่ามันติดไหมเห็นไหมล่ะก็ไปลงอีกนิ่งๆแล้วมันติดหรือเปล่ามันลังไบร่แล้วก็ติดหรือเปล่าอย่างนั้นแหละมันไม่จบหรอกเอาเป็นว่าเราก็รู้ว่ามัน ติดไม่ดีแล้วก็อย่าไปติดสิอย่าติดก็คำว่าเบี่ยงทิ้งไงต้องให้มันดำเนินไปแล้วก็เบี่ยงทิ้งไปเรื่อยๆนะมันมันเอาเปน็นว่ามันไม่เหมือนกันอย่าเรียนแบบเพราะฉะนั้นเอาแบบเรานั่นลหละแต่ต้องไม่ใช่ขึ้นจากสมองเราเนี่ยไปสั่งการแล้วก็ใจเราไปชอบหรือไม่ชอบต้องไม่เนื่องโดยใจถ้าจิตมันทำเองนะปล่อยมันทาเลยจิตปัจจุบันรู้เฉยๆมันทาอะไรนะ ถ้าไปนั่งตามลมหายใจสามสี่ห้าสิบปีแล้วเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะติดหรือเปล่าอีกก็ไปนั่งงงอยูน่นะเออทําเป็นเรื่องเก่าๆก็อย่าไปติดมันสิทําแต่ไม่ติดนะแต่ถ้าเราใช้สมองใช้ใจนะ่ะนั่นแหละมีคําว่าติดไม่ติดแต่ถ้าจิตมันดําเนินน่ะจิตปัจจุบันก็อย่าไปติดนะก็รู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยนะจิต เดิมเราเนี่ยเขาก็ลำเนินไปเรื่อยๆ เ, เขารู้ว่าเวลานี่ควรจะทำอะไรบางโปรแกรมเนี่ยมันยังไม่หมดเขาก็ทำคือคือเป็นอย่างนี้เวลาเราเข้าไปในจิตเนี่ยจิตในจิตเนี่ยนะถามว่าจําเป็นต้องเข้าไหมตอบว่าเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้บางคนไม่ทำอะไรผู้เจ้าเทศคาเดียวบรรลุธรรมแล้วเห็นไหมบางคนนั่งสมาธิสิบ้านาทีก็บรรลุธรรมแล้วก็ดีแต่มันไม่ใช่ทางสายกลาง มันไม่ใช่มาตรฐานที่ทุกคนทําได้ถ้าทางโลกมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวแต่ทางสายกลางผู้เจ้าชี้เราก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนานั่นแหละทําไปเรื่อยๆส่วนมันจะถึงฝั่งเมื่อไหร่นี่ช่างมันมันถึงไว่ไหวก็ไม่มีของเล่นนะเห็นไหมเอ้ยพวกนี้เมื่อไหร่จะหมดหมดแล้วก็พปรแกรมหมื่นก็มาอีกนั่นแหละก็ดําเนินไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากเรามีความอยากเรามีเงื่อนไขเวลาอยาก เราทําอะไรยากหมดนั่ะมันก็ไปติดบ่วงก็สร้างข้อกังขายเอ้เมื่อไหร่ฉันจะถึงไอ้ชันติดหรือเปล่าก็จะติดสิเรามีสิทธิ์ใช่ไหมอย่าไปติดสิก็ไม่ให้เครื่องมือแล้วคือเวี่ยงทิ้งมันจะไปติดได้ยังไงแต่อันนี้เราไม่เหวี่ยงทิ้งไงเพราะมันเกิดเรื่องเอ๊ะชันติดหรือเปล่าอไปนั่งคิดอีกนั่นแหละเธอติดความคิดแล้วติดแล้วนั่นแหละนั่นแหละคือติดความคิดนะก็รู้เฉยๆนะ เวลาเราปฏิบัตินี่หนึ่งมันชดใช้กรรมดีมันจะแสดงอาการเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์อดมดีนะพอกรรมชั่วทุกทรมานเศร้าโศกเสียใจนะเป็นช่วงที่มันกำลังเรียนรู้กับเรื่องกรรมดีกรรมชั่วส่วนบางครั้งเนี่ยมันไล่ลำมันหมุนวนมันทำอะไรที่มันนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหวตรงนั้นนะอันนั้นน่มันเป็นการเจริญสติในอดีต มันเป็นการสะสมพลังนะก็จิตมันรู้เองเวลานี้เนี่ยมันจะพิจารณาธรรมเวลานี้มันจะพิจารณากรรมอะไรเนี่ยก็จิตมันทําแต่มันจะทําอะไรก็ช่างจิตปัจจุบันรู้เฉยๆเนี่ยเรียนรู้แบบนั้นนะข้อที่สถ้าเราเห็นตัวหมุนข้างในเรานั่งนิ่งๆดูแต่ว่าตัวหมุนได้หรือไม่ ตอบว่าได้ตำรวจไม่จับนะได้อะไรที่มันไม่ผิดกฎหมายได้หมดนั่นแหละส่วนมันจะได้มากแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเรามีกําหนดแล้วว่าฉันจะนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยมีการกระทําเกิดขึ้นแล้วมันก็ได้กระทําไงก็ได้นิ่งๆไงมันก็ฝึกสมมถะกรรมฐานาฐานั่นแหละก็ได้ไงไม่ได้เสียหายนะทีนี้มันก็มีผู้เพ่งกับสิ่งที่ถูกเห็นใช่ไห มันก็จเจริญสตินั่นแหละได้สมถากับมาฐานส่วนเราปล่อยมันไปเลยตามสภาพมันอย่าไปกำหนดอย่าไปสั่งการมันอย่าไปมีความอยากจะทำอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนี้จิตมันดำเนินเองเนี่ยมันจะรวมกันกายเวทนาจิตทารวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นมหาสติปัฏฐานอันนี้มันจะเกิดปัญญานะเรารู้เฉยเฉยแต่เวลานี้มันจะนิ่งนงมันก็หมุนนิ่งๆเราไม่ต้องนั่งดูมันนะ แล้วก็เป็นตัวหมุนกับมันน่ะนิ่งๆก็ไม่ได้มีใครว่านะก็นิ่งๆก็นิ่งๆนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งความไม่นิ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงความนิ่งนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแบบนั้นไม่ใช่ไปนั่งดูมันสัมผัสว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็แรงเดี๋ยวมันก็เบาเห็นไหมความแรงก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่เที่ยงนะความช้าก็ไม่เที่ยงก็ดูแค่นั้นดูตัวเองบ่อยๆ อย่างน้นอยๆว่าเช้าสายบ่ายเย็นมาอยู่ที่นี่เราอยู่กับตัวเองตลอดชีวิตเราเนี่ทรงออกตลอดมีแต่อยู่กับคนอื่นมีแต่คิดถึงอนาคตนึกถึงอดีตใช่มอันนี้เราก็อยู่กับตัวเองนะมันเป็นอุบายวิธีที่ทำให้เราอยู่กับตัวเองตลอดตั้งแต่ตอนเช้าสายบ่ายเย็นเพียงแต่ว่าอยู่กับตัวเองก็มีหลายอารมณ์ทำให้จิตได้เรียนรู้รู้เท่าทันอารมณ์ทุกอารมณ์ด้วย แต่สุดท้ายคือเราอยู่กับตัวเองเปลี่ยนวิชาที่เรามาอยู่กับตัวเองถ้าเราไม่มองตัวเองเราจะรู้ตัวเองได้อย่างไรเราจะรู้เท่าทันกิเลตัวเองได้อย่างไรเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้อย่างไรนะก็ทำไปเรื่อยๆเรารสัมผัสมันเรื่อยๆ เ, เ, เห็นเรื่อยๆแล้วก็ชำนาญต่อไปไม่ว่าอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในเนี่ยมันกระทบมันไม่กระเทือนเพราะเราฝึกมาแล้วนะเหมือนเราฝึกยิงเป้าบินแล้วเนี่ยเห็นปุ๊บเราก็ยิงเลย ม, ม, มันมาทิศไหนมันมาบอกเราแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงแล้วต่อไปเนี่ยเขาดา่าเราปุ๊บเราก็ยิงอารมณ์ข้างในอยู่ๆบางทีไม่ต้องมีผัสสะเลยนะอยู่คนเดียวนะกําลังจะนอนหลับตาปุ๊บติ้งขึ้นมาคิดถึงขั้วลีเห็นไหมไม่ต้องมีผัสสะเลยนะอันนี้ข้างในมันเกิดขึ้นสัญญาที่มีแล้วมันเกิดขึ้นมาทันทีเลยถ้าไม่รู้เท่าทันมันก็วีนนอนไม่หลับเห็นไหม เมื่อเราฝึกแล้วมันเกิดขึ้นเราจะรู้เท่าทันมันตามธรรมชาติสี่เวลาปฏิบัติน า, นานาจิตตังจะเช็กเช็กเต้นเต้นและยืนหมุนหมุนยืนหมุนบ่อยครั้งแต่ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันหมุนมันหมุนของมันเองการหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้ถือว่าเป็นกิเลสหรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไรควรหยุดหมุนไหม ถ้าเป็นจิตทำเนี่ไม่มีควาว่ากิเลสแต่ถ้าเป็นใจทำนั่นแหละต้องระวังนะไปแอนจอยไปตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นสมองควบคุมนั่นแหละกิเลสแต่ถ้าจิตมันหมุนนะก็พวกครูเคยเล่าให้ฟังว่าย้อนหลังไปพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งชื่อโซฟีเขายืนหมุนอยู่สามสิบหกชั่วโมงไม่กินไม่นอนหมุนอยู่ตน น, น, น, นั้นแหละ จิตมันเข้าไปแกนกลางของทอรนโดมันสะสมพลังระเบิดตุ้มบรรลุธรรมเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะไปทำเหมือนเขาอันนั้นคือมีการกระทําเกิดขึ้นด้วยความอยากปล่อยให้จิตมันดําเนินเองนะเราก็รู้มีสติตื่นรู้ตลอดเวลาว่าเขาทำอะไรนั่นแหละสะสมพลังไปเรื่อยๆนะ ทีนี้เนื่องจากเมื่อวานนี้เราไปทำพิธีรับองค์พระนะฉลององค์พระที่เรียกว่าปาง เ, เปิดโลกก็มีคนถามว่าที่พระครูบอกสามโลกธาตุนั้นคืออะไรสามโลกก็คือสวรรค์โลกเนาะแล้วก็มนุษย์โลกแล้วก็โลกนรกคือสามโลกธกาตุ ส่วนธาตุนั้นคือคุณสมบัติของวิญญาณนะวิญญาณธาตุสามโลกตัวนี้มันไม่เกี่ยวกับแดนเป็นเมืองเมืองเป็นที่อยู่อาศัยเป็นแดนแดนแบบนั้นเป็นอัตตนิยมไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณพระครูก็พูดบ่อยๆว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตก็เคยมีคนแย้งนะ เขาบอกว่าเขาไปเรียนอ่าพระไตรปิฎกไปคุยกับพระอาจารย์จบปเรเญญาเก้าบอกว่าสวรรค์มีกี่ชั้นกี่ชั้นนรกมีกี่ชั้นกี่ชั้นเพราะครูเพราะครูไม่ใช่บอกว่ามันไม่มีแต่มันไม่ใช่แดนแดนแบบนั้นนะมันไม่ใช่เป็นแดนแดนแบบนั้นนะมันเป็นสภาวะอารมณ์ของจิตนะระดับความรู้สึกสุขทุกข์นะที่เาเรียกว่าเป็นเลเวล นะุณภูมิที่ต่างกันยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะไปเที่ยวนรกนะก็ทําให้ตัวเองทุกเยอะๆนั่นแหละแล้วก็สัมผัสว่าสัตว์นรกนั้นมันเป็นยังไงถ้าจะไปเที่ยวสวรรค์นเนี่ยก็ทําให้ตัวเองมีความสุขสนานมีความสุขนะมีความสุขนั่นแหละเราก็สัมผัสว่าเทวดาที่บนสวรรค์นเนี่ยเขาสุขแบบไหน ที่นี่มันเขาก็แบ่งเป็นระดับขั้นว่าออสุขระดับนี้สุขระดับนี้ที่นี่อย่างนรกเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างสร้างภาพขึ้นมาให้เราเห็นด้วยตาเนื้อนะอย่างนรกฝรั่งนรกไทยเนี่ยว่าไม่เหมือนกันแต่เราเห็นปุ๊บเราเห็นอารมณ์มันนรกไทยเนี่ยเหมือนเราถูกขึ้นต้นนิ้วเหมือนเราถูกต้มที่นี่จิตมันเป็นทิฟมันจะเอาใขรไปขึ้นต้นนิ้วมันจะไปไขต้มหรอ แต่ภาพนั้นสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเราทุกข์เหมือนถูกต้มเหมือนทุกข์เหมือนขึ้นต้นยิวมันไม่ใช่เป็นนรกเป็นแดนแบบนั้นนะมันไม่ใช่แดนแบบนั้นนะเพียงแต่ว่ามิติของสวรรค์กับมนุษย์สมบัติกับนรกสมบัติเนี่ยมันอยู่แถวนี้แหละแต่มันเป็นคนละขึ้นคนละมิติเท่านั้นเองเป็น ส, สามมิตินี่แหละด่านเม่นเราถึงทาภาพสามมิติพขาะครูรับขึ้นตรงนั้นได้ นะสมโลกธาตุมันเปิดทะลุกันหมดนะทีนี้เราก็มาพิจารณาเลยเฮ้ยชีวิตเราก็มายาเป็นมายาหมดแล้วล่ะภาพสามมิติก็คือมายามันเป็นภาพลวงตาเราเห็นปุ๊บเหมือนมันยื่นออกมาเราเห็นปุ๊บเหมือนมันยุบเข้าไปนะมันเป็นภาพลวงตานะพ่อครูก็เลยว่าห้องสามมิติ บังเอิญมีพระครูบาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยก็มีใจเมตตาแล้วก็พาคณะมาว่าที่พระครูพระครูให้ข้อคิดให้นโยบายว่าห้องนี้เรียกว่าห้องไม่คิดหรือว่าถ้าบอกว่าหยุดคิดเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือหยุดแล้วก็คิดว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะคือไม่คิดเข้าไปปุ๊บไม่ต้องคิดเลยเห็นผ้าปุ๊บวิ่งไปเล่นกับมันมันอ่ะเป็นห้อง ถ้าบอกพักคิดก็บอกว่าหยุดพักก็คิดอีกนะภาษานี้ต้องระวังก็คือว่าห้องที่ไม่ต้องคิดนั่นแหละวาดออกมาเลยแบบไหนก็ได้ที่มันต้องคิดเราคิดทุกวันทุกวันเลยพอเข้าไปห้องนี้เดินมารอบหนึ่งก็คือว่าเราถ้หยุดหยุดพักการคิดของเราหยุดสร้างมรรกรรมสักนิดหนึ่งนั่นแหละวาดแบบไหนก็ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นภาพมายานั่นแหละคือสามิติทีนี้มาดูชีวิตเราเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงไหมที่พ่อครูทุกช้าบอกว่าชีวิตคือละคร ลวครก็คือมายาตัวเราจริงๆไหมเออตัวเราชื่อชื่อบัญชานี่จริงๆไหมเออมันอยู่ยงคงกระพันไหมเจ้าตัวฉันเธอห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายนะมันเชื่อเราไหมไม่ได้เชื่อมันเป็นแค่มายาภาพแต่เราไปหลงอัตตาตัวเองทิติมานะอวดเก่งเอาตัวเองไปที่ตั้งโดยไม่ลืมหูลืมตาว่าทุกอย่างเป็นมายาหมด นะสร้างกรรมไม่หยุดไม่หย่อนนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นมายาคนที่พ่อครูบัญชานั่งอยู่ที่นี่ไอ้สมมุติว่าชื่อบัญชานี่นั่งอยู่มีจริงไหมมีจริงเดี๋ยวนี้แต่เป็นแข่งข้อชั่วข่าวมันเป็นมายาภาพที่เ้ากาลังแสดงเป็นคนชื่อว่าพ่อครูบัญชาแต่มันไม่อยู่โยงคงกระพันเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็สูญสลายไป มันเป็นมายาทั้งหมดอ่ะไม่มีความจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละสามมิติถึงเกิดขึ้นทาให้พวกเราหยุดคิดหน่อยหนึ่งคําว่าหยุดคิดคือว่าหยุดคิดก็แสดงว่ากําลังคิดใหม่นะก็คือว่าพักยกไม่คิดได้ไหมเนี่ยคนคิดเป็นคือคนไม่คิดไม่ใช่คนคิดเก่งคนคิดเก่งยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์เรียกว่าคนคิดไม่เป็น เอเป็นว่าเนื่องจากเราคิดทั้งวันแล้วก็เดินเข้าไปในห้องนั้นก็สนุกสนานกับไอภาพมายานั้นไปถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างน้อยไม่กี่นาทีที่อยู่ในนั้นเราก็ได้พักผ่อนความคิดเราบ้างมันก็เกิดสามมิตินั้นก็เกิดจากอารมณ์ที่ว่าสามโลกธาตุมันเกิดขึ้นนะมันเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณธาตุมันไม่เกี่ยวกับเรื่องแดนอย่างนั้นนะเมืองสวรรค์เมืองนรกมีต้นงิ้วมีถูกต้ม ไม่ใช่มันอยู่ในนี้หมดสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานก็อยู่ในนี้ไม่ใช่ไปอินเดียภูเขาหิมาลัยไม่ได้อยู่ที่โน่นมันอยู่ข้างในแล้วเห็นไมทุกคนมีพุทธจิตอยู่แล้วเดินเข้าไปหาเขาเห็นไมถ้าเราข้ามพ้นสุขทุกข์นะเนี่ยนั่นแหละคือความสุขอย่างยิ่งคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งตัวนั้นอ่ะไม่เนื่องด้วยต้องได้อะไรก่อนค่อยสุข มันสุขเพราะว่ามันไม่มีทุกข์เลยเพราะไอ้ตัวคนสุขตัวคนทุกข์ก็ไม่มีไอ้คนที่มันสุขมันทุกข์มันถูกฆ่าตายแล้วมันไม่มีนั่นแหละคือ น, นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอยู่ในนี้หมดไม่ต้องไปหาที่ไหนอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยเข้าไปข้างในและเราจะรู้ว่าชีวิตที่เราเป็นตรงนี้เป็นละครตอนนี้เราแสดงบทบาทอย่างนี้นะบริ ษ, ษัททางร้านก็มีหลายๆตําแหน่งแต่ว่าเมื่อเราเป็นนักแสดงก็แสดงให้มันสมบทบาทถ้าไม่สมบทบาท เราเป็นคนไม่มีสัจจะเรา ก, ก็ผิดศีลเราไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เราเราก็ผิดศีลเราไม่เราไม่ทำเราไม่ปฏิบททัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องตั้งมั่นซื่อสัตย์สุจริตกับหน้าที่เราทําคนอื่นไม่รู้ช่างเขาแต่จิตเรารู้นั่นแหละเราปฏิบททัติธรรมเห็นไหมมันก็เป็นละครเห็นไหมคนโบราณก็าบอกเต้นกินลำกินเนก่ยเขาหลังเกียดเลยนะเขาบอกว่ามันเป็นมายา แต่ทุกวันนี้เป็นอาชีพได้ไม่เป็นไรอาชีพไหนก็ช่างถ้าเราจำเป็นต้องต้องทำหน้าที่เราก็ทาหน้าที่ซื่อสัตย์กับมันนะถ้าเราซื่อสัตย์แต่ไม่มีเจตนาหลอกเขาแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขามาดูเราเขามีความสุขแล้วเนี่ยโอเคเราก็ให้ความสุขเขามันก็เป็นหน้าที่หนึ่งนะชีวิตเราคือเราค่อนอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายทิฏฐิมานะแล้วก็สร้างกรรมใหม่ไม่หยุดหย่อนนะอันนั้นไม่ควรทํา นะทีนี้เราก็ต้องฝืนกิเลสไงฝืนทิฏฐิมานะตัวเองมันอยากทําฉันต้องไม่ทําอันนี้ไม่ใช่อยากทํากูทําเลยนะทําไปแล้วค่อยมานั่งเจ็บปวดค่อยมานั่งทุกข์ทรมานอันนั้นมันสายเกินไปแล้วนะก็เนื่องจากว่าเราไม่ยอมนะว่าทุกอย่างมันเป็นมายาเรายึดมั่นถือมั่นอาจารย์พุทธทาสพูดแรงมากนะในแง่ภาษาท่านบอกตัวกูของกูขนาดแรงอย่างนี้เนี่ยก็กระเทาะเปลือกไม่ได้ใช่ไหมเพราะทุกคนไม่มีเวลา มาศึกษาสิ่งที่ท่านพูดเราไปหลงกับมายาภาพตัวนั้นเราแสดงไปแสดงม า, ากลายเป็นว่าเป็นสมจริงว่าเราเป็นตัวนั้นมันเป็นแค่การแสดงชั่วครู่นั่นแหละภาพสามมิติอันนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ไม่ได้เก็บสตังไม่เหมือนที่เขาทำสามมิติ น, น, นั้นเป็นธุรกิจหมดเนาะมันคนละเจตนาอันนี้คือแสดงทับอย่างหนึ่ง น, นะ ก็สามโลกก็คือเนี่ยสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติสมบัตินี้หมายถึงว่าคุณสมบัติของจิตดวงนั้นว่าเขาอยู่ในตรงไหนเราอยู่ในร่างมนุษย์แล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เราอยู่ในร่างมนุษย์นะแต่มนุษย์เป็นเปรตอสูรกายก็อยู่ในตัวเราไม่บ้าก็ไปกินยาให้มันบ้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปโข่มขืนยาย อันนี้แหะคือนรกสมบัติถึงจะอยู่ร่างมนุษย์กระช่างไม่ใช่มนุษย์สมบัตินะจิตดวงนั้นนะคุณนะสมบัติของมันเป็นแค่เปรตอสุลกายนะบางคนมีเมตตาธรรมมีพรมิหารมีพรมอยู่ในร่างเรามีเทวดาอยู่ในร่างเราเทวดาก็อยู่ในร่างเราเห็นว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณไม่เกี่ยวกับเรื่องแดนไม่เกี่ยวกับเราเป็นมนุษย์นะเราเป็นมนุษย์สมบัติไม่ใช่ นิพพานก็อยู่ในตัวเราอยู่ในร่างมนุษย์นี่แหละนะเป็นอริยสมก็อยู่ในร่างมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าคุณสมบัติของจิตนะสามโลกธาตุไอธาตุตัวนี้หมายถึงคุณสมบัติของวิญญาณมันไม่ใช่เรื่องแดนเรื่องอย่างแบบนี้นะอยู่ในนี้หมดเลยธาตริยะก็อยู่ในนี้เปรตอสุ ร, รกายก็อยู่ในนี้เทพเทวดาก็อยู่ในนี้ อยู่ที่ว่าใครจะเป็นอะไรนะใครอยากจะแสดงเป็นอะไรนะก็ทีนี้ไอ้สามโลกธาตุนี้เนี่ยจะเป็นสวรรค์นรกมนุษย์นี่มันก็อยู่ในวัตปะาสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเป็นพรหมเนี่ยเสพกรรมดีแล้วเสพจุกแล้วเนี่ยตกลงมาเกิดวันแรกก็แหกปากรองเหมือนกัน ก็ยังเรียนไหา้ตายเกิดที่นี่เราปฏิบัติธรรมทำไมปฏิบารรมเผื่อฟุกก็ได้นะเหมือนปลาเป็นทวนน้ำปลาตายตามน้ำถ้าคนที่ไม่กล้าทวนกระแสเนี่ยมักง่ายจะวิ่งไปตามกระแสเขาเนี่ยอันนี้ตายทั้งเป็นละ่ะมีปลาตายทั้งนั้นที่จะตามกระแสมักง่ายไงไม่ต้องทวนออกทะเลตายหมดคือคือมันตายทั้งเป็นแล้วละ่ะไอปลาที่มันมันมั น, ม, น, ม, นมันตามกระแส มีปลาเป็นเพรานั้นที่มันกล้าทวนกระแสทีนี้ทวนกระแสนี่ไม่ใช่เราปฏิเสธกระแสนะเราไม่ได้ขวางกระแสเราไม่ได้กั้นเขื่อนปักตัวมันอย่างเดียวนะเราไม่ปฏิเสธกระแสมันก็ไหลไปตามกระแสก ร, รันก็ไหลตามลงที่ต่าแต่เรารู้แล้วว่าไอ้การตามกระแสเนี่ยเราตายแล้วเราไม่มีวันผุดวันเกิดเราไม่อิสระแล้วถ้าท่านคิดว่าเราเลือกตามกระแสเนี่ยเราเลือกปุ๊บเราไม่อิสระ ทีนี้เราทวนกระแสเราไม่ได้เลือกนะเราไม่ไเลือกทวนกระแสเราไม่มีทางเลือกถ้าเราเลือกทวนกระแสปุ๊บเราก็จะไปทํำลายพวกต่างกระแสว่าเขาเขาผิดเราไม่ไ ด, Reach, เไได้เราไม่ได้ขวางกระแสแต่เราไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราตามกระแสเนี่ยเราคือปลาตายทั้งเป็นเราต้องทวนกระแสทวนกระแสอาจจะระหว่างทางตายก็ได้นะปลาเล็กถูกปลาใหญ่กินแต่อย่างน้อย ช่วงที่มันทวนกระแสมันก็สร้างอินทรีย์พละให้กําลังเก่าให้กําลังจิตเราเกิดมาปุ๊บมันก็มีกําลังเดินทางต่อแต่ถ้าเกิดมันมีบุญเก่าบวกบุญใหม่เนี่ยมันข้ามพ้นมันมีทางรอดพ้นมันไปสู่ความอิสระภาพได้มันไม่มีผู้เจ้าบอกเป็นทางทางเดียวนะเราไม่ได้เลือกทวนกระแสนะเราไม่ได้เลือกเราไม่มีทางเลือกเพราะเรารู้แล้วว่าตามกระแสเนี่ยมันตายอยู่แล้วมันไม่อิสระแล้วก็ช่วงนี้พอกูก็ เอาตัวนี้มาคุยกับเด็กๆนะเหมือนมีเบ็ดเบ็ดสองอันเขาตกปลาเนะี่ยเบ็ดมันต้องใส่เหยื่อไอ้เบ็ดตัวนี้เขาใส่เหยื่อหลอผู้ชายหลอเบ็ดตัวนี้เขาใส่เหยื่อผู้ชายรวยนะเพราะข้อถานเด็กผู้หญิงพวกนี้บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยหล่อมากดาราเป็นพระเอกได้เลยและแต่มันขี้เกียจมาก ขี้เกียจจนเป็นหนี้ถิมีสินพน้นล้นตัวเลยส่วนคนนี้เนี่ยรวยมห า, าศาลเลยแต่มันขี้เละมากๆเห็นหน้ำก็กินข้าวไม่ลงเลยถามว่าจะเลือกใครเขาไม่คิดเลยนะคนนี้บอกเอาคนรวยคนนี้บอกเอาคนหล่อถามว่าทําไมเลือกหล่อมันบอกาาก็จับมันเป็นดาราหนังเดี๋ยวมันก็จ่ายหนี้ได้หมดแล้วมันขี้เกียจอะ่ะเห็นไหมบางคนบอกว่าฉันมีเงินฉันเลี้ยงมันได้ไง เออแล้วเราไปเจอคนที่มีเงินมากกว่าเรามันก็ชอบหล่อเหมือนกันแล้วเราจะเป็นยังไงเห็นไหมทีนี้ไอคนนี้รวยบอกคนที่บอกเลือกรวยไม่เป็นไรมันมีเงินอะ่ะจับมันไปสรรยะกรรมให้มันหล่อตอนนี้ทั้งรวยด้วยทั้งหลอด้วยอะไรเกิดขึ้นได้ไหมคุณนั่งเฝ้าเขาได้ไหมเขาว่าคุณไม่เคยรักกับความความตัวชั้นหรอกเธอรักเงินของฉันแล้วพอมันหล่อมามันจะมองเราไหม เอาเป็นว่าถ้าเราเลือกปุ๊บเราจะติดเบ็ดแล้วเราจะได้อย่างเสียอย่างเราจะไม่อิสระตลอดชีวิตนี่แหละไม่พิจารณาไม่ตัดสินตัดสินปุ๊บเราจะติดบ่วงเราจะติดเหยื่อแล้ความหล่อมันอยู่ยงพงกระพันไหมไอ้ความรวยอยู่ยงพงกระพัน ไ, ไหมเห็นไหมพ่อครูทีงบอกเด็กๆ ดเปรี้ยวกินหวานมะม่วงน้ำดอกไม้ต้องกินตอนที่มันสุกกินตอนที่มันดิบมันเปรี้ยวเรายังอยู่ในวัยเรียนไม่ใช่อยู่ในวัยรักเปลี่ยนความรักแบบแฟชั่นนั่นให้กลายเป็นเพื่อนรักนะดูแลกันมันจะได้ไม่ต้องกังวลไปหวงหึงไปหึงมาอะไรเนี่ยนะถึงกระทั่งตบตีกันว่ามีนะ ไป น, นี้นั่นแหละบางทีเผลอรครับหนึ่งนะบางอย่างลองแค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้นะคนตะวันตกเขาบอกไม่ลองไม่รูอ้อยากลองเนี่ยบางอย่างลองแค่ครั้งเดียวเป็นเอดเนี่ยก็ชีวิตนี้ก็จบแล้วลองครั้งเดียวเนี่ยตั้งทอ้ทงทองก่อนไว้ยละก็จนไปตลอดชีวิตไปโดดหน้าผาลองครั้งหนึ่งก็ตายบางอย่างไม่ต้องลองก็รู้โดยสัญชาตญาณโดยสานึกก็ต้องรู้ ไม่ใช่ไปลองทุกเรื่องนะโดยเฉพาะเราต้องทําหน้าที่นะเราต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เราธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเราต้องปฏิบัติธรรมทุกวันตอนนี้เรามีหน้าที่เป็นนักเรียนเราก็เป็นนักเรียนที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพเราถ้าใครไม่ซื่อสัตย์ผิดศีลเนี่ยชีวิตนี้ทุกแนแน่เลือกคนหลอก็ทุกลวกคนรวยก็ทุกเนื่องจากไม่มีพื้นฐานที่เข้าใจกันน่ะเราทําให้ตัวเองเนี่ยเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ก่อน แต่ถ้ามันจําเป็นต้องมีชีวิตคู่ใช้คําว่าถ้ามันจําเป็นต้องมีก็มีเถอะเกิดมันเป็นอะไรมาเนี่ยเราพึ่งตนเองได้ไม่ใช่พึ่งความหล่อของเขาไม่ใช่พึ่งความรวยของเขานั่นแหละทําหน้าที่นะปฏิบัติธรรมหน้าที่เราคือตอนนี้เราเป็นเขาทําไมเขาเรียกว่านักเรียนละ่ะทําไมเขาไม่เรียกว่านักลักล่กละแล้วก็มีนักเรียนเราก็ต้องเรียนต้องทําหน้าที่แสดงให้มันสมบทบาทถ้าไม่สมบูบาทปุ๊บเราผิดศีลแล้ว นะถือว่าเราเป็นคนผิดศีลมันจะดีไม่ได้นะก็วันนี้วันผู้ใหญ่เนี่ยแวบบไปถึงกับเด็กอีกเนาะไม่เป็นไรของแถมเนาะทีนี้อย่างเรื่องพ่อ ก, กูบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมเขาบินมาจากกรุงเทพเลยเขามีหน้าที่บ้านปลายชีวิตคือไป ไปเผยแพร่พุทธธรรมอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพ่อครูพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะสวรรค์มีกี่ชั้นนรกมีกี่ชั้นอะไรเพราะว่าพ่อครูไม่บอกว่ามันไม่มีแต่มันไม่ใช่เป็นแดนแดนแบบนั้นมันเป็นอุณหภูมิของความสุขอุณหภูมิของความทุกข์มันอยู่ที่บรารมีที่เราสร้างมาระดับไหนทีนี้ท่านบอกว่ามันยังไม่เคลียร์พ่อครูถามว่าคุณพ่อรู้จักเจ้าชายสิทธรรัตถะไหมรู้สิศึกษาพุทธธรรมมาตั้งเยอะแยะเชื่อไหมว่า พระองค์ตัดสูุ้ธรรมในวันวิสาขาบูชาสำเบ็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเชื่อวินาทีนั้นเรียกว่าอรหันจะไม่ถูกสภาวะนวันนีกว่า น, านจะไม่ใช่ทำไมจิตดวงนั้นไม่ไปอยู่เมืองนิพพานทำไมยังอยู่ในร่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเผยแร่พุทธศาสนาอีก45่สิบห้าพรรษาท่านบอกเข้าใจแล้วเห็นหรือเปล่านิพพานอยู่ไหนมันอยู่ข้างใน แล้วไม่ได้อยู่เมืองนิพานนะเนี่ยสวรรค์ก็อยู่ในนี้อยากไปสวรรค์ทำให้ตัวเองสุขเยอะๆนะแต่อย่าไปติดสุขนะถ้าไม่จาเป็นอย่าไปขึ้นสวรรค์นะเทวดาทุกมากที่ต้องเสพสุขนะเสพ บ, บ่อยๆมันก็เบื่อไงกินแต่ของเก่าๆทุกวันเนี่ยมันเบื่อมากมันป็ดหมกรรมดีนะมันก็ต้องใช้กรรมดีก็ต้องใช้กรรมชั่วก็ต้องใช้ ถ้าไม่อยากใช้กรรมก็อย่าสร้างกรรมนั่นแหละคือนิพพานนั่นแหละอันนี้คือคำตอบนะนี่คือสามโลกกรทาตอนนี้มันอยู่ข้างในนี้หมดแล้วนะอยู่ที่ว่าใครจะเลือกไปทางไหนอยากไปนระกก็ทาตัวเองทุกเยอะเยอะนะไม่รักตัวเองก็ทำตัวเองทุ ก, นะ ก, ก ท, ทุกเยอะๆแล้วไปหลงหล่อห่อหลงรวยรวยนั่นแหละเดี๋ยวมันจะทุกข์นะทำตัวเองให้เป็นคนดีนะ คนดีพระคุ้มของและเราจะได้คนดีด้วยกันถ้ามันจาเป็นต้องได้ถ้าจำเป็นต้องรวยก็รวยเถอะอย่าไปทุกข์กับมันถ้าจำเป็นต้องจนก็จนเถอะอย่าไปทุกข์กับมันนะเรื่องอะไรเรามาเกิดมาไปทุกข์กับเรื่องรวยเรื่องจนเรื่องหลอก็ไม่หลอก น, นะเด็กศูนย์ทำอย่างนั้นไม่ได้นะนะ ถ้าเราทําอย่างนั้นปุ๊บก็ไม่ต้องมาอยู่ศูนย์นะก็เป็นเหมือนคนอื่นก็ไปอยู่ที่อื่นนะก็เมื่อกลางวันนี้ก็มีโอกาสคุยกับอาจารย์ไพเดชเพราะกูสอบปรมหลแกแกบอกเมื่อเช้านี้อากาศไม่ร้อนนะเมื่อเช้านี้นะแกเต้นไปเต้นมาแกบอกร้อนมากๆเลยร้อนมากมากเลยทุกข์มาก ๆ, เ, กากๆเห็นไหม พอทุกข์กับมันพุทธเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมแล้วทีนี้จิตมันก็ฉลาดไงเออมันก็ไปมีสติขึ้นมามันก็วางความร้อนนั้นซะแกบอกแปลกมากความร้อนมันหายไปดูกลายเป็นเย็นสบายเลยมันก็เป็นมายาร้อนนักก็มักอ้างว่าเย็นนักก็มักอ้างว่าเป็นมายาไม่ใช่ของจริงนะเห็นไหมเมื่อเช้าอากาศมันไม่ร้อนนะบางคนบอกร้อนร้อนร้อนทำไมไอ้ฝลังมันอยู่ครั่วโลก พวกแคนาดาทำไมบินมาเมืองไทยไปตากแดดทำไมทำไมก็โอ้ร้อนดีจังเหไมพวกเราไม่ชอบร้อนบอกชอบเย็นใช่ไหมเดี๋ยวพวกกูส่งไปขั้วโลวกเหนือใช่ไหมโอ้ยหนาวจังเลยไม่ชอบอีกนั่นแหะนั่นแหละมันเป็นอุปทานมันเป็นมายาทั้งนั้นแหละความเจ็บปวดก็เป็นมายาไม่ใช่ของจริงถามมาทาซานมันรู้ไหมว่า เจ็บเป็นยังไงไม่รู้มันไม่เรียนรู้ภาษาเจ็บนี่คือภาษาสมมติตั้งแต่เด็กๆ เ, เนี่ยถ้าเราสอนเขาบอกว่าการถูกตีอย่างเนี้ยนะคนไทยเรียกว่าเจ็บเนี่ยมันแปลว่าความสุขเหมือนพวกจิตที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลกจิตอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสาดิสอะไรเนี่ยยิ่งถูกเข่นตีมากๆ ม, ม, มันมีความสุขมากทุกอย่างเป็นมายาอยู่ที่ว่าเราจะบันทึกสัญญาว่ายังไง นะเจ็บไม่มีอยู่ไม่มีอยู่จริงนะมันเป็นภาษาเราโดนพึ่งต่อยตรงนี้เจ็บมากวิ่งไปจะไปทายาหมองระหว่างทางเหยียบตะปูทะลุขาเนี่ยเจ็บอยู่ที่ขาไอ้ น, นี่หายไปไหนพอกาลังเจ็บขาอยู่มองไปเห็นลูกตกบันไดบ้านหัวแตกขานี่ก็ลืมเจ็บแล้วไปเจ็บที่หัวลูกมันเป็นมายาทั้งนั้นแหละมันเป็นอุปทานของจิต นะยิ่งเราเข้าไปในจิตเนี่ยเห็นโน่นเห็นนี่เวี่ยงทิ้งเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นมายาภาพทั้งนั้นแหละเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นเวี่ยงทิ้งไม่ใช่เอ๊ะอะไรนะนะเอ๊ปุ๊บหลุดจากกรร ม, มาฐานนะก็สุดท้ายก่อนจะจบเนี่ยพ่อครูก็เน้นเรื่องผมมิหารสี วันนั้นมีนักวิชาการคนหนึ่งเป็นดกรก่อนจะกลับก็ถามบอกว่าพร ม, มิหารสี่คืออะไรเพราะเขาสนใจคำว่าพ่อูบอกถ้าจะคิดเป็นพูดเป็นทาเป็นเนี่ยต้องมีพร ม, มิหารสี่ถ้าไม่มีพร ม, มิหารแล้วเนี่ยมันจะมันจะคิดเก่งพูดเก่งทําเก่งจะเอาความเก่งนั้นน่ไปห้ามหันคนอื่นไปสร้างกรรมถ้าเราไม่มีพร ม, มิหารเนี่เราจะคิด ไม่เป็นพูดไม่เป็นทำไม่เป็นเราจะคิดเก่งพูดเก่งทำเก่งเอาความเก่งนั้นไปสร้างกรรมนะพรมิหารต้องเจริญบ่อยๆการอยู่ร่วมกับคนอื่นสองคนขึ้นไปไม่กระทั่งครอบครัวเราเนี่ยเริ่มจากครอบครัวก่อนเราต้องมีพรมิหารพรมิหารก็คือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา หลายคนก็ไม่รู้นะหลายคนเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธแต่เมวัวแต่เรียนวิชาการแม้กระทั่งพมวิหารก็ไม่รู้พ่อครูอดีตก็ไม่รู้มั่แต่หาเงินหาเงินแล้วก็ทำให้ตัวเองเครียดนะแต่หลักจากจิตมันตีกลับมาแล้วเนี่ยมันรู้เองเพราะพฤติกรรมมันเป็นพมวิหารนะคือคำว่าเมตตาเนี่ยต้องมองคนอื่นในสายตาที่ เมตตาก็คือว่าคือสงสารเห็นใจเขาก่อนแล้วเราจะเห็นความจริงนะถ้าเราไม่มีเมตตาปุ๊บมันลดลงไปหัวแตกกูไม่มองไม่ใช่ธุระของกูนั่นแหละเพราะเราไม่มีเมตตาแม้กระทั่งมองก็ไม่มองเลยไม่มีเวลาธุระไม่ใช่ฮนะถ้าลูกเราก็รั ก, กลูกคนอื่นไม่ใช่เรื่องของฉันอนะ่ะ แม่ฉันก็รักรักแม่คนอื่นไม่ใช่เรื่องของฉันนั่นแหละเราไม่มีพรหมวิหารเรารักแม่ไม่ได้รักจริงนะมันเป็นหลงเฉยเพราะเขาเป็นของเรานะแต่ถ้าคนมีพรหมวิหารเนี่ยเขาจะเพ่งมองเขาจะมีความเมตตาก็คือว่ามีความสงสารเห็นใจแล้วเขาจะเห็นของความความจริงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาทุกข์แค่ไหนเห็นไหม พอมีเมตตาปุ๊บเนี่ยกรุนามันก็ตามมาก็คือว่าก็ไปช่วยเขานะแต่ไอ้ไอ้ทุนนิยมแข่งขันเสียดีมันสอนมิแต่ว่าเอาเยอะๆถึงจะดีไปเสียเวลาไปสูญเสียให้เขาทำไมเพราะเรายังไม่พอเลยเนี่ยแหละเราคิดว่าเราฉลาดนะเรากลายเป็นคนโง่และ้ะเราคนโง่ละเพราะเราก็ต้องเครียดเพื่อจะเอาเอ า, เอา้วก็ไม่มีเวลาที่จะทำบุญให้กุศลให้เองสักวันหนึ่งเราโดน เขาเบียดเบียนมาเนี่ยเราก็ทุกข์นะก็เหมือนที่ศูนย์เนี่ยเริ่มมีเหรอเริ่มมีเริ่มมีอะไรที่ขโมยเล็กได้น้อยมาจากที่อื่นเรากําลังสืบดูอยู่นะเขาจะมาเวลาที่เราอยู่ในตรงนี้แหละหกโมงครึ่งถึงสามทุ่มนะบางคนบอกว่ามีของหายอะไรพราะกลวมันหายเพราะเรามีสําหรับพ่อคูเราไม่มีของหายมาแต่วันหนึ่งเพราะไม่ใช่ของโพ่อคูสักอย่างหนึ่งก็อ ย, ก อ, ยกอยากอยากอยากหายก็อย่ามีสิ ที่มันหายเพราะมันมีสะสมกาั ก, ากตุนอยู่ตรงนั้นแหละเนะแล้วไม่มีมันจะขโมอยอะไรมันขโมยลมบ่นั่นแหละเราสูญเสียเพราะเรารักษาความมีของเราเพราะเราให้ไม่ได้เราก็เลยทุกข์ไงนะบางคนมีเมตตานะโอ้ยสงสารจังเลยแต่ฉันไม่มีเวลาฉันต้องไปไม่กรุณา เพราะถ้าเราไม่ไปปุ๊บเนี่ยเราจะสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลมีแต่สงสารแต่ว่าไม่กรุณาบางคนกรุณาไปช่วยเขานะส่งโรงพยาบาลก็มีความปิติแต่วันใดวันหนึ่งเขาได้ดิบได้ดีกว่าเราเนี่ยไม่มีมุทิตาอิจฉาเขาอีกทุกข์อีกทั้งที่ตัวเองไม่ได้เสียอะไร เห็นคนอื่นเขาทำดีทําบุญเลยเนี่ยไปอิจฉาเขาอีกใช่สิมีเงินใช่ห น, นะใช่แทนที่จะนัโมทนาสาธุกับเขาเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยไม่มีมุทิตาไปอิจฉาเขาเห็นไหมบางคนมีมุทิตานะเพราะกรุณาเขามาแล้วเมื่อเขาได้หยิบได้ดีส่งส่งเสียเขาเรียนแล้วเนี่ยบางคนเขาได้เป็นรัฐมนตรีก็อู้สาธุเขดีใจกับเขาเนะบางคนมีมุทิตา แต่วันใดวันหนึ่งเนี่ยบางทงเขามาเบียดเบียนเราอีกนะมาทําให้เราเจ็บเนี่ยไม่มีอุเบกขาอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ละกูจะเอาคืนถ้าเราไม่มีพงมิหารแล้วเนี่ยเราเองนั่นแหละทุกข์แต่เราคิดมุมกลับว่าเราเป็นคนเสียเปรียบมิตจให้ใ ห, ให้เราได้หรอได้ให้ไงได้ให้มันมันมีดีอะไรละ่ะมันจะสูญเสียนั่นเราโยนภูเขาออกจากอกดีไหม มันก็เบาไงเอาความโรคความตหนี่ออกไปมันไม่ดีถึงไหนหละ่ะไม่ต้องไปแบกมันไงบุญคือเบาบาปคือหนักไงเห็นไหมเขาเบียดเบียนเราก็ไม่เห็นทุกข์อันนี้เราทุกทุกอย่างเพราะว่าจะทําตามใจตัวเองไม่ได้ดั่งใจก็โกรธก็เครียดเห็นไหมไม่มีพรมวิหารคนให้ไม่ได้จริงๆนะถ้าคนถ้ามีพรมวิหารแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเจ็บเลยตัดเนื้อตัวเองให้ตัวอื่นบด มันมันตายด้แล้วมันจะรู้สึกยังไงล่ะใครทำให้เราเจ็บได้ไหมนั่นแหละความพ้นทุกข์ที่แท้จริงถ้าฉันให้เธอเธอให้ฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันช่วยเหลือเธอเธอช่วยเหลือฉันสังคมมันก็สงบสุขแต่ตอนนี้มันให้กันไม่ได้งไงต้องตายไปข้างหนึ่งนะเพราะว่าคนเราเนี่ยขาดพรมิหาร การอยู่ร่วมกันการบริหารคนเนี่ยโดยเาะผู้ใหญ่ทุกคนต้องมีพร ม, มิหารแต่ต้องฝึกตั้งแต่เด็กไปฝึกใหญ่แล้วเนี่ยมันยากเพราะมันถูกใส่โปรแกรมแพ้ชนะอยู่แล้วเนี่ยนะไปอ่านพร ม, มิหารใครอ่านง่ายๆเด็กๆก็อ่านได้เมตตากรุณาบุิต า, า, ตาอุเบกขาแค่สี่ข้อใครก็จําได้ไปสอบได้เกียรนิยมระดับหนึ่งนะบางคนถามพระครูพระค ร, พ ร, ะครูพระครูแผ้เมตตาไหม พ่อครูยี่สิปีไม่เคยแผ่เลยแต่ศูนย์เนี่ยมันเป็นพิธีกรรมอะไรเขาพาสดมันพาแผ่เมตตาเหมือนใช้อุบายแต่พ่อครูไม่ต้องแผ่นะพ่อครูเมตตาทุกวันแผ่แผ่แผ่แผ่แผภัยเลาะมากออกไปเขาเหยียบขาหน่อยหนึ่งก็ไม่มีเมตตาก็ไปด่าเขาเนี่ยคุณจะแผ่ทําไมเมตตาทุกวันแล้วแผ่เมตตาเพื่อเป็นการเตือนสติให้เราต้องเมตตาอันนี้แผ่อยู่ตั้งแ่แต่ไม่เคยเมตตาเลยจะไปแผ่ไปทำไมเสียเวลาชีวิต นะอย่าไปติดบ่วงนะนะแทนที่จะมีโอกาสได้สร้างบุญกลายเป็นสร้างกรรมสร้างบาปเนี่ยมันน่าเสียดายนะโดยเฉพาะมาสูนี่มาโอกาสได้เจอแล้วเนี่ยยังไม่รีบไขวคนะว้านะกลัวเสียเปรียบน่นเสียเปรียบนี่มันมันน่าเสียดายนะ ทำกับคนเนี่ยต้องใช้พรมวิหารการบริหารจัดการผู้ใหญ่ที่แท้จริงนั่ะเราต้องมีเมตตากรุณามุทิตากับเพื่อนร่วมงานทํากับงานเนี่ยต้องยึดหลักยึดหลักอิทธิบาทสีต้องมีฉันทะมีความพึงพอใจกับงานที่เราทําเมื่อเราพึงพอใจมันก็มีวินิจฉตามธรรมชาติแต่ถ้าเราทําไปด้วยเบื่อไปด้วยตื่นเช้ามาก็าไม่อยากไปลงไม่อยากทํางานแล้วเนี่ยมันก็ทุกข์ตั้งแต่ตื่นเช้าแล้วแต่มันก็ต้องไปไงเพราะเราต้องดํำรงชีวิต ทำไปด้วยทุกไปด้วยเสียเวลาเท่ากันแต่ว่าขาดทุนชีวิตคือทุกมันก็ไม่มีวิริยะเพราะเราไม่มีฉันทาไม่มีคงพองใจแลวไอ้ความวิริยะก็ไม่เกิดขึ้นกลัวได้เปรียบกลัวเสียเปรียบนะจิตก็ไม่ตั้งมัน่นบกแวกเบือ่อทำไปด้วยคิดนนคิดนี่แล้วก็ทำถูกทำผิดมันก็ไม่เกิดปัญญาเพราะเราไม่ใส่ใจวิมังษาก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไม แต่ถ้าเราตั้งมั่นมีความสุขกับงานมีความพพลินก็จิตตะตั้งมั่นเราก็ได้ซึมซับผลงานนั้นซึมซับประสบการณ์นั้นน่ะมันก็เกิดปัญญายิ่งมายิ่งเก่งขึ้นยิ่งชำนาญขึ้นเราไม่ได้สูญเสียอะไรเรามีแต่ได้ได้ประสบการณ์ได้บุญเห็นไมแต่ตอนนี้ไอ้สังคมธุรกิจเสรีนิยมโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันเนี่ย เราทำลายความเป็นภพวิหารเราหมดเลยจริงๆแล้วเรามีตามธรรมชาติอยู่แล้วถูกทำลายหมดนะก็เป็นสังคมที่แข่งขันยื้อแย่งนะพรอคูก็มีโอกาสก็เตือนเป็นช่วงๆแต่พระคูไม่คาดหวังถ้าพราคูหวังพราคูจะผิดหวังบางคนบุญมีนะมาเจอแล้วแต่กรรมยังบังอยู่ยังไม่หยุดสร้างกรรมอยู่นะน่าเสียดายนะที่สูนนี่ไม่มีได้ไม่มีเสีย ไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนนะมีแต่ให้มีแต่ให้ใหนะไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีเธอมีฉันนะมีแต่ผู้เจ้าบอกคือสัตว์โลกทั้งหมดเป็นเพื่อนทุกไม่ใช่แบ่งเธอแบ่งฉันนะเราเป็นเพื่อนทุก ต้องมีเมตตาซึ่งกันและกันใครทำคนนั้นก็ได้คนอื่นไม่รู้จิตเราบันทึกเต็มๆแล้วนะ <c oughs> โกรธคือโง่โมหัหคือบ้า <c oughs> แล้วก็ทำอะไรบ้าๆบอๆไม่รู้กาลเทศะไม่รู้อะไรควรไม่ควรนะ <c oughs> ไม่มองวัฒนธรรมท้องที่เขาเป็นยังไงยังไงเอาแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งนะ <c oughs> อันนี้มีโอกาสเจอแล้วเนี่ยยังไม่ไดีบข่อยคว้าเนี่ยพราคุยใช้คำว่าน่าเสียดาย ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดไม่มีถูกไม่มีผิดถูกผิดดีชั่วเป็นมายาเป็นภาษามนุษย์ที่สร้างขึ้นแต่ทุกคนเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองสร้างสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเราทาสีขาวมันก็เป็นสีขาวมันจะเป็นสีแดงไม่ได้นะมันเป็นไปตามกรรมโอเคพ ก, กูใช้เวลาแค่นี้เนาะจะได้ปฏิบัติธรรมกันต่อไปสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศีรรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาล พร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอเน